นับปฏิปั ส, สัมเพตะพระอัถารสกัว่าด้วยองค์ส8ปของภิกษุที่สง์ไม่พึงระงับตัดชนียกรรมครั้งนั้นสง์ได้ลงตัดชนียกรรมแก่พวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะับและพระโลหิตกัพวกเธอถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้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 สงจงระงับตัชนียกรรมแก่พวกพิกษุมิีสิทธิ์ของพระปันดุกะและพระโลหิตกะเถิด